นี่มาดูในที่สองว่าท่านพูดไว้ทานเป็นเริ่มแรกครั้งแรกถือว่าเพราะเป็นสิ่งที่ทั่วไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเป็นไปแม้แก่ชนเป็นอันมากเพราะใครก็ต้องการใช่ไหมอย่างเช่นปัจจัยสี่เนี่ยสัตว์ที่ไหนใครก็ต้องการปัจจัยสี่ใครก็ต้องการเครื่องนุ่งห่มใครก็ต้องการอาหารใครก็ต้องการที่อยู่อาศัยใครก็ต้องการยารักษาโรคเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นสิ่งที่เป็นสาธารณแก่ชน จำนวนมากไม่ว่าชาติใดภาษาใดศาสนาใดวัณณะใดเป็นต้นก็ถือว่าต้องการตัจใจสี่เหมือนกันทั้งหมดเพรัะถือว่าทานนั้นเป็นสิ่งสาธารณะทั่วไปแก่ชนเป็นอันมากเคยเห็นไหมเขาตั้งโรงทานโดยที่ไม่เกี่ยงพวกที่อย่างโครงการสมเด็จย่าเนี่ยนะช่วยเหลือคนพิการโดยไม่จํากัดเชื้อชาติวัณณนะศาสนาไม่จํากัดทั้งนั้นน่ะ เพราะอะไรเพราะทานนี่เป็นของสาธารณะไม่ไม่จำกัดลทัทธิประเพณีวัฒนธรรมปัจจัยสีไม่จํากัดเลยเป็นสิ่งที่ไม่จํากัดจริงๆเพราะสัตว์ที่ใดก็ต้องการเครื่องนุ่งห่มสัตว์ที่ไหนก็ต้องการอาหารสัตว์ที่ไหนก็ต้องการที่อยู่อาศัยถ้าไม่สบายสัตว์ที่ไหนก็ต้องการยาทั้งหลายพันถือว่าเป็นของที่สาธารณะจริงๆขณะเดียวกันเนี่ยนะมีผลน้อยถ้าเทียบกับบารมีทุกข้อทานนี่กําไรน้อยกว่าเพื่อน นะกำไรน้อยที่สุดอันนี้ส่งไม่มากถ้าเทียบกับศินถ้าเทียบกับศีลและทานนี่กําไรน้อยที่สุดวันคนลงทุนเอาแต่ทานมุ่งเรื่องแต่ทานอย่างเดียวก็ถือว่าลงทุนในสิ่งที่เรียกว่ากําไรน้อยที่สุดในบรรดาการลงทุนทุกชนิดถ้าเรียกว่าลงทุนรักษาศินเนี่ยนะเออเรียกว่าลงทุนให้ทานกับลงทุนรักษาสินลงทุนให้ทานมีผลน้อยกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่หมายว่าคําว่าน้อยนี่เมื่อเทียบกับสินนะไม่ใช่ว่าให้ทานแล้วไม่มีผลไม่มีอะไรส่์ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้น มีผลนับไม่ท่วนนับไม่ไม่มีหมดอย่างเช่นให้ทานกับผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิผลเป็นต้นทานอันนั้นนับไม่หมดแต่ถ้าเทียบกับศีลศีลกำไรดีกว่าเยอะเนี่ยนะป้นทานนี่ถือว่ากำไรน้อยแล้วก็ขนาดเดียวกันทำง่ายทาง่ายกับเพื่อนนะทานเนี่ยถามว่าทำไมจึงว่าทาง่ายก็เพราะว่ายังไงมันก็ต้องแบบอะไรนะ คนตณีเนี่ยยังไงก็ยังให้ปันกับคนรอบๆข้างนะก็ยังมีการให้นะตนีขนาดไหนก็ยังมีการให้อยู่บ้างถ้าตนีสุดๆเลยมีใครคุยด้วยหรอกเชื่อเอะถ้าตนีจนถึงขนาดว่าไม่เลี้ยงดูแม้กระทั่งครอบครัวด้วยนะอยู่ด้วยกว่าคนสุดยอดขี้เหนียวเลยนะถึงขนาดไม่ให้ลูกเมียกินเป็นต้นไม่มีใครอยู่ด้วยหรอกอยู่คนเดียวแค่นั้นะชีวิตชาตินี้นะตนีจนไม่ยอมจับจ่ายอะไรเดีอดร้ายแล้วแค่นี้นั้นสรุปว่าคนขี้เหนียวยังทําได้บ้างนะการให้ทานเนี่ย มันถือว่าทําง่ายกว่าเพื่อนถ้าเทียบกับศีลเนี่ยธ ม, มะอย่างอื่นแลทานนี่ให้ง่ายที่นี่ที่กล่าวศีลในลําดับของทานเพราะว่าศีลเนี่ยนะเป็นความบริสุทธิ์ของผู้ให้ศีลเนี่ยแหละเป็นตัวที่ทําให้ผู้ให้มีความบริสุทธิ์แล้วก็ผู้รับที่มีศีลทักิณาทานนั้นก็เรียกว่าบริสุทธิ์เป็นทักศีนการให้บริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับก็เพราะศีลเป็นเครื่องวัดความบริสุทธิ์เนี่ยนะ พันผู้มีศีลเท่าใดให้แก่ผู้มีศีลเท่าใดบริสุทธิ์เท่านั้นถ้าตั้งคําถามว่าผู้ให้มีศีลสมมติว่าคนศีลแปดให้ทานแก่คนศีลห้าคนศีลห้าให้ทานแกคนศีลแปดแบบศีลแบบเตะเลยนะแบบมั่นคงไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะหมายความว่าตัวคุณภาพศีลเต็มเต็มเปี่ยมแล้วคนมีศีลห้าเต็มเปี่ยมให้คนมีศีลแปดศีลเต็มเปี่ยมสองคนเนี่ยใครให้แล้วมีผลมากกว่ากัน คนใดที่มีศีลมากกว่าให้คนนั้นมีผลมากกว่าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าให้ทานแก่ภาษาฤาบุตรกับภาษาราบุตรให้ทานแก่พระพุทธเจ้าการทําบุญของพระพุทธเจ้ามีผลมากกว่าภาษาราบุตรให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคุณภาพของผู้ทําสําคัญที่สุดว่าผู้ทํามีความรู้ความเข้าใจขนาดไหนถ้าผู้ทํามีสติมีปัญญามีศีลดีจริงเ่ยผู้รับจะเป็นใครก็มีผลมากมีอนิสงส์มาก เพราะว่าผู้ให้นิฉราดให้ผู้ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมให้เพื่อตกแต่งจิตใจให้เพื่อปิดกั้นบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายศีนต่อไปบอกว่าที่กล่าวศีลต่อจับทานเพราะกล่าวถึงการอนุเคราะห์ผู้อื่นแล้วกล่าวถึงความไม่เบียดเบียนผู้อื่นการให้ทานนี้เป็นใจกรุณาต่อผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกศีลนีลักษณะของศีลคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายด้วยกายและ วาจาทานนี่เป็นการสงเคราะห์วัตถุให้แก่เขาไปศีลเป็นการไม่เบียดเบียนเขาพันศีลนั้นจึงเป็นการไม่เบียดเบียนกล่าวถึงธรรมที่ควรทาและกล่าวถึงธรรมที่ไม่ควรทาทานนี่ถือว่าเป็นจารีตเป็นสิ่งที่ควรประพฤติเป็นสิ่งที่สมควรแก่การกระทาส่วนศีลนั้นเป็นวารีดควรเว้นจากการทาความชั่วทานนี่ควรให้ควรปฏิบัติควรทา การล่วงละเมิดเป็นสิ่งที่ควรเวน้นมันก็กล่าวศีลต่อจากทานเพราะคุณศีลเนี่ยเป็นตัวละเว้นจริงๆสุดท้ายบอกว่าที่กล่าวศีลต่อจากทานเพราะการให้ทานนั้นเป็นเหตุแห่งโภคทรัพย์การให้ทานเนี่ยเป็นเหตุให้มั่งมีเพียบพร้อมไปด้วยปัจจัยสี่เป็นต้นส่วนการรักษาศีลเป็นเหตุแห่งภร ะ, ะสมบัติการรักษาศีลเป็นเหตุให้เกิดในสุขคติโลกสวรรค์ ทำให้เกิดเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาพันการให้ทําอย่างเดียวไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าไปสวรรค์แน่ทําไมสัตว์เดรัจฉานบางตัวรวยกว่ามนุษย์ไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไหรคลอดมาเป็นลูกหมามีพิ่ัยกรรมเป็นร้อยล้านเนี่ยนะจริงฝรั่งชอบทํากันเหมนั้นอ่าเนี้อย่างเขามีที่ไม่รู้ว่าได้มาหรื อ, อยังมีแพนด้าจากประเทศจีนมาอยู่คู่หนึ่งบอกว่าลงทุนทําที่พักให้ห้าสิบล้าน น, นะมาคู่เดียวสองผัวเมียเนี่ยนะ แต่มีที่อยู่ราคาห้าสิบล้านเหมือนบอกโอ้ทำไมรวยขนาดนั้นเน่ยนะคนทั่วไปยังไม่ใช่ใครจะมีวิมานอยู่ราคาห้าสิบล้านไม่ใช่ง่ายๆ่ากันนะแต่มีแพนด้าคู่เนี้ยมีที่อยู่ราคาห้าสิบล้านเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพกผลแห่งการให้ทานทําให้เพียบพร้อมไปด้วยโภคะแต่เนื่องจากสัตว์เหล่านั้นไม่มีศีลก็เลยทําให้พบเนี่ยด้วยกลายเป็นสัตว์อบายฉะนั้นเดรซาลหลายตัวเนี่ยนะมีความพาสุขเพียบพร้อมไปด้วยปัจจัยสี แต่ก็เป็นเดรัจฉานเพราะไม่มีศีลศีลเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในมนุษย์และเทวดาส่วนการให้ทานนี้ทำให้มากไปด้วยโภคะคนที่รักษาศีลดีๆเนี่ยนะแต่ไม่ให้ทานเลยเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้ไหมได้แต่ว่าเป็นมนุษย์หรือเทวดายากจนเป็นมนุษย์ยากจนเป็นเทวดายากจนเคยได้ยินไหเสรีวิมานเสรีวิมานแปลภาษาไทยว่าวิมานว่างเปล่า เป็นเทวดาประเภทเกิดอยู่ในที่อยู่ว่างเปล่าไี่แท้จะไม่มีสมบัติอะไรเลยนะเคยเห็นแบบไอ้สาลาข้างถนนที่มันโ ล, ล่งๆงั้นเราไปนั่งคนเดียวเงาเลยนะมีเครื่องประดับอะไรสักชิ้นเลยอันนั้นศีลดีอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ให้ทานเพราะฉะนั้นการให้ทานเป็นเหตุแห่งโภคสมบัติการรักษาศีลเป็นเหตุให้เกิดภาวะสมบัติเกิดในสุขติคือเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นก็เลยแสดงศีลต่อจากทาน ด้วยเหตุผลสีประการที่กล่าวไปแล้วทีนี้ทำไมจะต้องแสดงเนคฆัมมะต่อจากศีลน่ะก็เพราะว่าความสำเร็จแห่งศีลและสมบัติก็ด้วยเนคฆัมมะนะคือหมายความว่าผลของการรักษาศีลจริงๆ อ, อยู่ที่เนคฆัมมะเรียกว่าถ้าจะฐานคือศีลสิ่งที่ต่อยอดของศีลคือเน่ฆัมมะเพราะฉะนั้นความสำเร็จของผู้มีศีลเนี่ยจะเจริญด้วยเน่ฆัมมะ เพราะว่าเป็นความสําเร็จของผู้มีศีลนั้นศีลดีจริงอะ่ะวัดกันที่เนคข ม, มะถ้ามีเนคข ม, มะคนนั้นศีลดีถ้าเนคข ม, มะไม่มีแล ว, ว่าศีลไม่ดีอย่าลืมว่าเนคข ม, มะคืออนุสติทั้งหลายเช่นพวกเมตตาพวกสมถะทั้งหลายนั่นแหละพรนะลองดูว่าเราศีลดีเหลือเกินเนี่ยลองเรจเริญเนคข ม, มะดูจะเจริญสมถะดูถ้าจเจริญสมถะและใจสงบสบายเป็นไปตามนั้นจริงก็แสดงว่าศีลดีเนีย่ยนะเพราะว่า ความสำเร็จของการรักษาศีลอยู่ที่เนคขมะ เ, นะนเนี่ยนะคือศีนเนี่ยจะทาให้ใจตั้งมั่นใชน่ันถ้าใจตั้งมั่นนั้นเป็นลักษณะของเนคขมะนี่ในที่หนึ่งในที่สองบอกว่ากล่าวเนคขมะต่อจากศีนเพราะศีนเป็นกายสุจริตวจีสุจริตส่วนเนคขมะเป็นมโนสุจเรตศีนเป็นกายสุจริตวจีสุจริตเนคขมะเป็นมโนสุจเิต อันานะรักษากายวาจาได้เรียบร้อยแต่ใจล่ะก็ะว่าจัดระเบียบกายวาจาได้ดีด้วยศีลจัดระเบียบทางใจด้วยเนคขมมะทําให้ใจเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนะเขาบอกว่ากายวาจาที่เกลื่อนกลนเช่นทําความชั่วทางกายวาจาเรียกว่าไม่เรียบร้อยใจก็เหมือนกันถ้าอากุศลวิตตกเกิดขึ้นมิจฉาทิถีเกิดขึ้นก็แสดงว่าใจไม่เรียบร้อยก็อนัพิชาและอัพยาบาททําให้ใจเรียบร้อย อีกในหนึ่งบอกว่าเนคธรรมะต่อจากศีลก็เพราะว่าผู้มีศีลบริสุทธิ์ทําไม่ได้ช้านได้ง่ายศีลดีนะเจริญชานไม่ยากเนี่ยนะเจริญเมตตาเป็นต้นไม่ยากเลยเจริญอสุภาพเป็นต้นก็ไม่ยากเลยแต่ถ้าทศีลไม่ดีเนี่ยมัวแต่นั่งระแวงตัวเองก็เลยไม่ได้เจริญกรรมฐานสักเท่าไรหรอกพรอมัวมานั่งเดือดร้อนแต่ในสิ่งที่ตัวเองทำมันถ้าศีลดีเนี่ยนะไม่ต้องลำบากในสิ่งที่ตัวเองทํามาเลยเพราะละลึกแล้วก็ไม่กินแหนงแคลงใจตัวเองเมื่อไม่แคลงใจตัวเองเนี่ยนะ การเจริญฌานก็ไม่ยากศีนเนี่ยเป็นประโยค่สมบัติศซนเนี่ยเป็นประโยคบริสุทธิ์เนี่ยนะประโยคบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งประโยค่าบอกว่าความบริสุทธิ์แห่งความขวนขวายขวนขวายมันคือประโยค่เพราะละโทษทางการกระทําเป็นผู้ที่มีการกระทําที่บริสุทธิ์ส่วนเนขมะเป็นความบริสุทธิ์แห่งอาสยะเรียกว่าอัธยาศัยบริสุทธิ์เพราะละโทษคือกิเลส อเมยนะศีลเนี่ยนะเป็นประโยคะบริสุทธิ์เพราะละโทษแห่งการทําชั่วเพราะมีผู้มีศีนไม่ทําชั่วไม่ผู้ชั่วมันเป็นประโยชคะการประกอบกายวาจาที่ดีเรียบร้อยส่วนเนคขมะนั้นเป็นความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยเรียกว่าอาสยสุทธิบริสุทธิ์ทางอัธยาศัยเพราะละโทษคือความเศร้าหมองภายในจิตใจจิตใจไม่เกลือกกลื่อไปด้วยบาปอากุศลจิตใจไม่ขุนไม่มัวหมอง แล้บอกว่าต่อไปศีลเป็นการละวีติกมะศีลเนี่ยเป็นการละบาปอากุศลที่เรียกว่าล่วงละเมิดมาทางกายวาจาส่วนเนคข ม, มะนั้นเป็นการละปริยุทธานบาปอากุศลที่กลุ่มรุมอยู่ในใจนเนคข ม, มะเนี่ยทำให้อกุศลไม่กลุ่มรุมอยู่ในจิตใจแต่ศีนเนี่ยทำให้ไม่ล่วงละเมิดออกมาทางกายและวาจา บาปอากุศลไม่ทะลักมาทางกายวาจาแต่ก็ไม่ท่วมทนด้วยใจความที่บาปอากุศลไม่ทะลักออกมาทางกายวาจาด้วยศีลไม่กลุ่มล ม, มเดือดพล่านอยู่ในจิตใจก็ด้วยอำนาจของเนคขมะก็เลยแสดงเนคขมะต่อจากศีลแล้วทำไมต้องแสดงปัญญาต่อจากเนคขมะล่ะก็เพราะว่าเหตุผลก็คือความสำเร็จและความบริสุทธิ์แห่งเนคขมะนี้จะมีด้วยปัญญา ถามว่าถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่ากรรมฐานที่เราเจริญอยู่เนี่ยมันถูกต้องอะไรเป็นเครื่องวัดอ่ะนะเขาบออุย้ยสงบจริงๆสงบมากเนี่ยนะถ้าไม่มีความรู้แล้วมันสงบไปทำไมแต่ตั้งคําถามว่าทําไมต้องทําให้สงบสงบแล้วมันได้ดีอย่างไรผลของความสงบอยู่ที่ไหนหรือว่าการเจริญทําใจให้เป็นสมาธิเนี่ยนะผลของสมาธิอยู่ที่ไหนก็ต่อ ย, ยอดด้วยปัญญา หรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคนที่จะเจริญสมาธิได้สําเร็จก็เนื่องจากว่าเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญานี่จะทําให้อบรมสมาธิหรืออบรมกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จเนี่ยนะพันความบริสุทธิ์แห่งเนคขมมะได้ก็เพราะว่าเป็นผู้มีปัญญาทําให้เป็นวิเศษสะพากิริยนะอนุภาพของปัญญาทําให้เนคขมมะเหล่านั้นเป็นวิเศษสะากยะเพิ่มพูนขึ้นจะปฏิบัติจนประสบความสําเร็จก็เพราะมีปัญญา ปฏิบัติแล้วพัฒนาคุณภาพเช่นได้เนคขมมะจากอุปจาระเป็นอั ป, ปนาอ ป, ปนาระดับปฐมฌานขึ้นไปสู่ทุติยฌานเป็นต้นเนี่ยนะก็อาศัยปัญญาและอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเหตุผลที่แสดงปัญญาต่อจากเนคขมมะเพราะถ้าไม่มีฌานก็ไม่มีปัญญาจริงอยู่ปัญญาเนี่ยนะมีสมาธิเป็นประทัดฐานคือเหตุใกล้เหตุใกล้ของความรู้คือสมาธิ ก็ลองสังเกตดูนะอ่านหนังสือด้วยความฟุ้งซ่านอ่านรู้เรื่องเลยถ้าใจไม่ตั้งมั่นเนี่ยโอ้พระไตรปิฎกเนี่ยโหจบเร็วมากเลยพลิกพลิพลไม่กี่ทีวางสําเร็จเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะฟุ้งซ่านปัญญานั้นมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ทั้งสู่ตามมายาปัญญาเนี่ยนะคนที่จะฟังรู้เรื่องถือว่ามีสมาธิระดับหนึ่งเหมือนกันนลหรือแม้กระทั่งว่าคนที่จะพิจารณาอะไรได้เนี่ยก็ต้องมีความสงบพอสมควรเลยแหละจึงจะ จารนาได้คนที่จะบรรลุมรรคผลได้ความสงบต้องระดับฌานจึงจะบรรลุได้ถ้าหากว่าไม่ระดับฌานเนี่ยไม่แทงตลอดอริยสัจเหมือนกันเพราะว่าสมาธิเนี่ยนะอาการที่ปรากฏของผู้มีสมาธิดูจากอะไรก็บอกดูจากปัญญาสมาธิมีปัญญาเป็นปัจจุ ป, ปฐานแปลว่าอาการที่ปรากฏหรือเห็นผลพวขงของการเป็นผู้มีสมาธิเนี่ยเอาคนเดียวกันเนี่ยตอนที่ฟุ้งกับตอนที่สงบต่างกันไหม ความรู้ต่างกันไม้มอย่าไปเอาไปวัดกับคนอื่นนะคน ท, ทั่วไปก็ดูสิคนนั้นเขาไม่ไหนฝึกสมาธิก็ฉลาดฉลาดแต่ไอคนนี้ฝึกสมาธิทําไมมันโง่จังเป็นต้นเนี่ยนะเขต้องเอาคนคนเดียวกันนี่แหละนะเอาคนคนเดียวกันตอนฟุ้งกับตอนไม่ฟุ้งตอนไหนฉลาดกับกันก็ตอนไม่ฟุ้งฉลาดกว่าเนี่ยนะอีกในหนึ่งบอกว่ากล่าวถึงสมถานิมิตแล้วกล่าวถึงอุเบกขานิมิตอสมถานิมิตเนี่ยนะเครื่องหมายแห่งความสงบคือตัว สมถะสมถะคือความสงบนั้นเป็นเนคข ม, มะส่วนปัญญานั้นเป็นอุเบกขานิมิตเป็นนิมิตแห่งอุเบกขาเป็นวิปัสสนุเบกขาเป็นต้นเป็นกรรมสกตาเป็นอุเบกขาแบบมีปัญญาอุเบกขาด้วยความรอบรู้เนคข ม, มะเป็นสมถานิมิตปัญญาเป็นอุเบกขานิมิต เหตุผลต่อไปที่แสดงปัญญาต่อจากเนคขมะเพราะกล่าวถึงความฉลาดในอุบายอันทำประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยการตั้งใจทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเนคขมะเนี่ยคือการตั้งใจเพื่อจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเช่นตั้งใจด้วยเมตตาเมตานี้ก็จริงๆเมตตาคุณธรรมของเมตตาก็เป็นเนคขมะอย่างหนึ่งตั้งใจที่จะทำให้ผู้อื่นประสบความสาเร็จเนี่ยนะไม่เข้าใจอะไรเลยช่วยเขาได้จริงห ไม่จริงถ้าอะนะเนคขมมะเนี่ยตั้งใจจะช่วยจริงด้วยกุศลธรรมจริงๆตั้งจิตจริงแต่ถ้าไม่มีความรอบรู้จะช่วยได้จริงๆริงไหมแม่อยากจะช่วยให้โยมมีความรู้เหลือเกินแต่เขามาอ่านหนังสือไม่ออกเลยนะแต่อยากแนะพระไตรปิฎกเนี่ยนะอ่านหนังสือไม่ออกซากตัวเลยเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างแลมีอยู่ที่หนึ่งเขาอยากบอกเขาความรู้นี่มันต้องอาศัยภาษาบาลีนะ่นะหนังสือบางเล่มเขยังไม่แปลออกมานะ อยู่ในภาษาบาลีไอคนไม่รู้เหมือนกันเนี่ยบอกแหมอยากจะอ่านให้ฟังอยากอ่านที่บายให้ฟังแต่มันอ่านไม่ออกอะไม่รู้เข้าว่าอะไรก็ไม่รู้นะภาษาต่างประเทศหมดเลยเป็นต้นเพราะนนั้การตั้งใจจะช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขแต่ถ้าไม่มีความรู้ช่วยคนอื่นไม่ได้หรอนะเหมือนอะไรนะตั้งใจจะช่วยให้เขานําไปถึงที่สบายนะขับรถไม่เป็นนะแต่ว่าอยากช่วยคนอื่นให้เขาถึงสถานที่ปลอดภยัยเนี่ยนะเป็น ไ, ได้ไหนะขับรถไม่เป็นขึ้นรถ บอนั่งนังนงนง่เดี๋ยวจะชวนไปให้ถึงที่ปลอดภัยยนี่ยมันอาจจะไปตายทั้งคันก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีความเข้าใจฉันใดะนะคนที่ตั้งใจที่จะทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนั้นที่สําคัญบอกว่าต้องฉลาดในอุบายฉลาดในอุบายที่จะช่วยให้เขาประสบความสําเร็จเหมือนคนบางคนเนี่ยนะเขาบอกว่าไปชวนคนอื่นเรียนธรรมะเนี่ยนะเขามาไม่แน่ใจว่าไปชวนให้เรียนธรรมะหรือไปให้เขาเกลียดธรรมะก็ไม่ทราบทําไมยังว่าอย่างนั้นเช่ไหม บอกคนไม่เรียนธรรมะมันคนโง่คนอย่างนั้นเนี่ยไปถึงด่าเขาใหญ่เลยนะเขาเลยเลิกเรียนเลยนะนะบางคนเขาบอกาอ้ยไปชวนใครเรียนอภิธรรมก็ไม่เรียนเลยนะก็ไปนั่งด่าเขาอยู่ครึ่งวันเนี่ยนะแล้วให้เขาเรียนเรื่องอะไรเขาจะไปเรียนเนยนะก็ด่าว่าถ้าเขาโง่มาตลอดท่า น, นไอ้การไปชักชวนคนอื่นชักชวนด้วยความโง่เขลาแทนที่จะประสบความสําเร็จก็เลยได้ศัตรูเพิ่มพอ เ, เรียนธรรมะนะโหศัตรูมากขึ้นเลยหมดไอคนที่เคยคุยกันรู้เรื่องตอนหลังเป็นศัตรูหมดเลยเพราะอะไร เพราะเราตําหนิเขาซะเรียบร้อ ย, อยเบ็ดเสร็จหมดแล้วเพราะเพราะไม่ฉลาดในอุบายการตั้งใจช่วยให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์นั้นจะต้องมีอุบายถ้าไม่มีอุบายไม่มีวิธีการก็ยากนันะแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าก็าไม่ทราบนั่นสมมติว่าการเจริญกุศลธรรมนี่เราเองจะเจริญไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่ก็อยู่ที่ปัญญาอยู่ที่ความเข้าใจนั่นนะ พันธุ์ขาบอกว่าเครื่องวัดอันหนึ่งของของผู้นั้นน่ะนะจะศึกษาธรรมะได้ยาวได้นานปฏิบัติธรรมได้ยาวได้นานปฏิบัติไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่สอบถามที่ความเข้าใจว่าเขารู้ประโยชน์ของคำสอนแค่ไหนคำสอนมีประโยชน์แค่ไหนการปฏิบัติธรรมดีอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติเสียหายอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะการตั้งโจทย์เหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอายุของการปฏิบัติว่า ได้มากได้น้อยได้ยาวหรือไม่ยาวไม่ใช่ว่าทํเพราถูกเกลียกกล่อมมาอัน น, นไอ้เรียกกล่อมตอนแรกก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันแต่ถ้าตอนท้ายก็ยังถูกกล่อมอยู่อีกอยู่ดีศึกษามาเป็นยี่สิปีแล้วก็ต้องคอยกล่อมอยู่นั่นแหละถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าอนาคตไม่ยาวเท่าไหรน่นะอนาคตในในในกุศลธรรมะนะไม่ยาวเท่าไหร่เพรา ะ, ะนั้นกุศลธรรมเนี่เป็นเนคขมมะเนคขมมะคือกุศลธรรมทั้งหลายเพราะนั้น ปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้กุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นไปได้ยาวและต่อเนื่องที่ห้าต่อไปบอกว่าทำไมจึงแสดงวิริยะต่อจากปัญญาน่าจะแค่ปัญญาก็พอแล้วทํทำไมทาไมต้องแสดงวิริยะต่อมาเพราะความสำเร็จกิจด้วยปัญญาก็โดยการปรารุพบรเพีรใน คาถาทรมบทน ะ, นะเรื่องพระโปธิละเนี่ยพระโปธิละเนี่ยนะเรียนพระไตรปิฎกมาเยอะนะท่านแต่ชานพระไตรปิฎกทรงพระไตรปิฎกแต่ท่านไม่เคยเอามาคิดตามคําสอนเลยไม่เคยสนใจคําสอนที่จะปฏิบัติจริงๆเลยมันจําได้ก็บอกไปจําได้ก็บอกไปสอนลูกศิษย์ที่ไปปฏิบัติตามมาลุกเยอะแยะแต่ตัวเองไม่ตั้งใจจะเจริญตามนั้นอะไรมันปัญญาไม่ไม่เกิดเพราะไม่ประกอบปัญญาเกิดเพราะการประกอบประโยคะความเพียรก็คือการประกอบ อันผู้ที่ประกอบประกอบอย่างนี้เนี่ยนะปัญญาก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเพราะใส่ใจมากขึ้นคุณธรรมทั้งหลายก็เพิ่มพูนพันธกิจของปัญญาเนี่ยสําเร็จได้เพราะเป็นผู้ที่มีความเพียรพระพุทธเจ้าฉลาดมากใช่ไหมตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์บอกฉลาดมากพระองค์นั่งรออยู่ที่ที่พระรา ช, ชวังแล้วจะบรรลุได้ไหมไม่ได้เอาทำไมเพราะนั่นแหละจึงออกบวชเนี่ยนะออกบวชแล้วมาประพฤติความเพียรพันการ ตรัสรู้ทำเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทุกองต้องทำความเพียรเหมือนกันหมดแต่จะกี่วันอีกเรื่องหนึ่งบางองค์แค่เจวันเนยนะบางองค์เจเดือนบางองค์สิเดือนแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยหกปีพั้นก็อยู่ที่ความเพียรแต่ที่ต้องไปปฏิบัติผิดเนี่ยนะเหตุผลก็เพราะไปตําหนิพระพุทธเจ้าองค์ก่อนว่าโพธิญาณได้โดยยากตัวเองก็เลยได้ยากแต่ทีนี้ด้วยเหตุผ ล, ลหลายๆประการเนี่ยนะเหตุการณ์อันเดียวไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียว นนเหตุการ์หนึ่งเหตุการ์ไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเหมือนอะไรนะเคยเคยทานแกงที่มีเครื่องเทศเยอะๆไหมนั่นแหละในเครื่องเทศนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างถ้าแกงที่ใส่แต่เกลืออย่างเดียวเนี่ยนะเาเรียกแกงเลยเ้าเรียกต้มเค็มถ้ามีแต่เกลืออย่างเดียวนะนจะต้องมีเครื่องเทศหลายๆอย่างฉันใดในบรรดา ปั จ, จยุบบนผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดจากปัจใจหล า, ลายอย่างย้อนกลับมาว่าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะจะต้องปรารบความเพียรถ้าไม่ปรารบความเพียรก็ไม่ประสบความสำเร็จต่อไปเหตุผลที่สแสดงความเพียรต่อจากปัญญากล่าวถึงความอดทนด้วยการเพ่งธรรมะคือความศูนย์ของสัตว์แล้วจึงกล่าวถึงความอัศจรรย์ในการปรารบความเพียรเพื่อประโยชน์แก่สัตว์เขาจะยากไหม ความอดทนด้วยการเพ่งทำคือความศูนย์ของสัตว์แล้วกล่าวถึงความอัศจรรย์ในการปรารคเพื่อประโยชน์แก่สัตว์แปลว่าอะไรแปลว่าโดยสภาพที่เป็นจริงเนี่ยนะท่านเห็นรูปโดยความเป็นสัตว์ใช่ไหมไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมไม่ใช่ พัน้ากล่าวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะการเพ่งเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณศูนย์จากสัตว์ใช่ไหมว่างจากสัตว์ใช่ไหมศูนย์แปลว่าว่า ง, <spiral Lions S 1> งเมื่อกล่าวถึงแยกแยะในความเป็นขันธ์ธาตอุอายตนะเนี่ยเปล่าจากสัตว์บุคคลใช่ไหมบอกใช่ถ้ากล่าวโดวยความเป็นนามรูปว่างจากสัตว์บุคคลใช่ไหมใช่ทีนี้ในบรรดาตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อแยกเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ว่างจากสัตว์ เมื่อแยกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ว่างจากสัตว์ว่างจากสัตว์และบุคคลเป็นต้นทีนี้การกล่าวถึงความเป็นของศูนย์ว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลแต่ก็มีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนนะรูปรู ป, รปสมุทยัยรูปนิโรรูปนิโรธฆาตมินีปฏิปทารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกในหนึ่งเรียกว่าทุกทุกขเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความรู้อันนี้อาศัยอะไรที่จะไปรอบรู้อย่างที่กล่าวไปปัญญาเป็นตัวกําหนดจําแนกแยกแยะว่านี้คือกองทุกขกองทุกอันนี้ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทุกขทุกขสมุทัยทุกขานิโรธทุกขะนิโรธาขามินีปฏิปทาจะไม่กล่าวว่าสัตว์เหตุเกิดของสัตว์ความดับสัตว์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสัตว์จะไม่มีแบบนั้นมีแต่ทุกข์ความเกิดแห่งทุกข์ ความดับแห่งทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข